ไม่ว่าจะทําบุญไม่ว่าจะทําบาปทําบาปทํากรรมต่างเวียนต่างกรรมอะไรมากๆนี่ก็กรรมก็ตามไปเองกรรมกระนำไปเองทําบุญก็บุญชักนําไปเองทําไม่บุญเอาไว้ตัวบุญก็จะตามประคับประคองไปในเมื่อเวลาเราดับจิตหมดลมให้ใจเข้าออกสมมุติว่าเรามีคนอยู่สคน ว่าเราจะเชื่อคนไหนมากจะเชื่อตัวบุญหรือเชื่อตัวบาปเพื่อนฝูงลูกเมียเงินทองเมื่อเวลาเรามาราณะลงไปแลว้วเพื่อนฝูงหมู่พวกที่รักนิทกันจริงๆหรือลูกเมียออยังไงเขาก็ตามไปส่งได้แค่เมียน